วิปัสสนานนบานบทที่4เครื่องทุ่นแรงให้เกิดความตอ่อเนื่องการทำวิป <mem> <in> ัสสนาให้ต่อเนื่องนั้นพระพุทธเจ้าแนะนำให้รู้ลมหายใจบ่อยๆเพราะลมหายใจเป็นของที่ต้องเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงและเป็นของไม่มีมนลทินยิ่งรู้มากจึงยิ่งมีสติมาก บทที่แล้วคุณได้ฝึกหายใจกันแบบสดๆอ่านหรือฟังหนังสือไปด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยซึ่งคุณก็จะพบว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะมีข้อความกระตุ้นให้ย้อนเข้ามารู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองปัญหาคือหลังจากละสายตาหรือละหูจากการฟังเสียงหนังสือไป ก็จะไม่มีข้อความกระตุ้นเตือนใดๆอีกคุณต้องมีกำลังใจมากพอจะเตือนตนเองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยบนเส้นทางวิปัสสนาได้อีกปัญหาของมือใหม่คือถ้าพยายามไปรู้ลมหายใจมากๆแล้วจะเครียดอึดอัดหรือกระทั่งปวดหัวไปเลย สำหรับบทนี้จะเป็นอุบายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเริ่มฝึกรู้ลมหายใจได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติที่สุดกับทั้งปิดกั้นช่องทางที่จะทำให้เกิดความเครียดสับสนท้อแท้ลงนั่นคือเราจะฝึกรู้ลมหายใจแบบไม่ต่อเนื่องนานนานทีรู้ที การฝึกโดยอาศัยนาฬิกาปลุกเทคโนโลยียุคเราถ้าใช้ดีๆก็มีคุณทุกอย่างไปไม่เว้นแม้กระทั่งการทำวิปัสนาขอให้ซื้อนาฬิกาข้อมือหรื อ, อนาฬิกาดิจิตอลแบบพกพาไปไหนมาไหนได้ไว้สักเรือนหรืออาจเป็นโปรแกรม น, นาฬิกาในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ระหว่างเวลาทำงานก็ได้มาเหตุผู้อ่าน ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนต่างๆก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้แทนนาฬิกาปลุกได้นะครับตั้งเวลาปลุกทุกสองนาทีไว้เมื่อเสียงดังครั้งหนึ่งให้ถามตัวเองว่าขณะนั้นกำลังหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าหยุดหายใจอยู่ให้ดูตามจริงปลุกครั้งหนึ่งรู้ลมหายใจทีเดียว อย่าพยายามรู้มากกว่านั้นสติของมือใหม่มีความไม่สม่ำเสมอเป็นธรรมดาแต่นาฬิกาปลุกมีความสม่ำเสมอที่แน่นอนสองนาทีเป็นระยะเวลาที่ถี่พอจะทำให้เกิดสติอัตโนมัติได้แต่ห่างพอที่จะทำให้ไม่เกิดความเครียดเมื่อทำไปเพียงไม่นาน คุณจะสังเกตว่าตัวเองรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาโดยไม่มีการเพ่งหรือคาดคั้นเอาความสงบจากลมหายใจเป็นพิเศษผลคือจะรู้ตามจริงว่าขณะนั้นลมหายใจเป็นอย่างไรอยู่นอกจากรู้ว่ากำลังหายใจเข้าออกหรือหยุดแล้วคุณควรสังเกตด้วยว่า ขณะนั้นกำลังสุกกำลังทุกข์รวมทั้งระดับความมากน้อยของสุขทุกข์ว่ามากขึ้นหรือน้อยลงกว่าการหายใจเมื่อสองนาทีก่อนการรู้ความต่างระหว่างสุขทุกข์ในสองช่วงเวลาจะทำให้สติคุณค่อยๆทําทำงานแบบวิปัสนาไปเองสัญญากับตัวเองไว้ด้วยว่าจะไม่มีการแก้ไข ปรับแต่งหรือทำให้อะไรดีกว่าที่ปรากฏแสดงอยู่ตามจริงไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือระดับสุขทุกข์ถ้าเครียดก็ยอมรับว่าเครียดถ้าสบายก็ทราบตามจริงว่าสบายย้ากับตัวเองไว้วิปัสสนาคือรู้ตามจริงเพื่อเห็นว่าไม่เที่ยงหาใช่การรู้ตามอยากเอาดีเข้าตัวเอาชั่วทิ้งน้ำ นาฬิกาปลุกจะช่วยยกระดับสติของคุณให้ปรากฏสม่ำเสมอและออกตัวจากจุดเริ่มได้เร็วอย่างเหลือเชื่อคือวันเดียวคุณจะกลายเป็นคนเลิกหมกมุ่นครุ่นคิดกับสิ่งไร้สาระหันมาเริ่มสนใจสิ่งที่ปราศจากมนทินในตนเองการเริ่มจากสองนาทีรู้ครั้งเดียวจะไม่ก่อให้เกิดความเครียดใดๆขึ้นมา มีแต่จะเกิดสติยิ่งยิ่งขึ้นขอให้สังเกตว่ายิ่งคุณมีสติรู้ลมหายใจได้สม่ำเสมอขึ้นเท่าไหร่ลมหายใจก็จะยาวละเอียดและทำให้เป็นสุขสงบมากขึ้นเท่านั้นหากเห็นว่าเริ่มเคยชินดีแล้วให้ลองปรับเวลาจากปลุกทุกสองนาทีมาเป็นทุกหนึ่งนาทีดู เมื่อรู้ทีละครั้งทุกนาทีได้ต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงคุณอาจรู้สึกเหมือนโลกแตกต่างไปมากและเหมือนนาฬิกาเป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปนั่นเพราะสติคุณเริ่มเป็นอัตโนมัติเองแล้วการฝึกวิปัสสนาโดยอาศัยป้ายบอก ให้เขียนใส่กระดาษเล็กๆว่ารู้ลมหายใจแปะไว้หลายๆจุดในห้องนอนของคุณอย่างน้อยสองจุดขึ้นไปเลือกจุดที่คุณมักมองบ่อยๆโดยไม่ตั้งใจจะดีมากคุณจะพบว่าข้อความเช่นรู้ลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตของคุณอย่างสูงข้อความไม่เพียงทำให้คุณอ่านแล้วเกิดความเข้าใจ แต่ยังเป็นเหมือนคำสั่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการระลึกรู้ลมหายใจอย่างสำคัญอีกด้วยอย่าลืมถามตัวเองว่าขณะรู้ลมหายใจนั้นกำลังสบายหรืออึดอัดถ้าสบายก็รู้ว่าเป็นสุขถ้าอึดอัดก็รู้ว่าเป็นทุกข์ขอให้เปรียบเทียบความต่างระหว่างเห็นป้ายแต่ละครั้งคุณจะพบว่าห้องนอนของคุณ กลายเป็นเครื่องผลิตสติแหล่งใหญ่ขึ้นมาได้ง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วันเ <intro> ท่านั้นการฝึกวิปัสสนาโดยอาศัยอิริยาบถ <fitting> ข้อนี้อาจยากกว่าข้อก่อนๆนิดหนึ่งเพราะไม่มีเครื่องช่วยนอกกายแต่ข้อดีคือ อุริยาบทเป็นของติดตัวไม่จำเป็นต้องซื้อหาจากไหนหลักง่ายๆคือเมื่อเปลี่ยนอุริยาบทจากท่าหนึ่งไปเป็นอีกท่าหนึ่งให้หายใจแรงขึ้นกว่าปกตินิดหนึง่งและกำหนดรู้ว่าหายใจเข้ายาวเป็นอย่างนี้หายใจออกยาวเป็นอย่างนี้เอาแค่ครั้งเดียวและอย่าพยายามรู้ให้มากไปกว่านั้น สำหรับคำว่าเปลี่ยนอิริยาบถจะหมายถึงการสลับเปลี่ยนระหว่างท่านั่งยืนเดินนอนรวมทั้งการพลิกตัวหรือเอนตัวในท่าหนึ่งหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวปลีกยย่อยกว่านั้นเช่นการขยับแขนขามือเท้าหรือศีรษะถือว่าไม่เกี่ยวเพราะอาจเป็นการถี่เกินไป เมื่อรู้ลมหายใจแล้วก็ถามตัวเองต่อว่าความรู้สึกทางกายโดยรวมทั้งหมดในขณะนั้นมีความสบายหรืออึดอัดสำรวจแค่นั้นถ้าหากรู้สึกเฉยเฉยก็ให้เหมารวมว่ากำลังสบายถ้าหากรู้สึกเฉื่อยชาก็ให้เหมารวมว่ากำลังอึดอัดขอให้เปรียบเทียบดูว่าการเปลี่ยนอิริยาบถ ที่มีลมหายใจสบายกับการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่มีลมหายใจอึดอัดนั้นแตกต่างกันอย่างไรผลของการระลึกอย่างนี้จนชินจะทำให้เกิดความเห็นกายมีกายเป็นที่ฝากที่อาศัยของจิตมากขึ้นเรื่อยๆการฝึกวิปัสสนา โดยอาศัยปฏิกิริยาทางอารมณ์แรงๆในที่นี้มุ่งเน้นเอาความโกรธความขัดเคืองไม่พอใจซึ่งคนทั่วไปเกิดกันบ่อยวันละหลายหนแต่ก็อาจจะเหมารวมถึงปฏิกิริยาอื่นๆเช่นความเครียดความคิดมากตลอดจนความมีราคะกล้าในจังหวะที่ไม่ควรจะมีด้วย เมื่อใจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระทบทางตาทางหูก่อนอื่นขอให้ยอมรับตามจริงว่ามีปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งขึ้นอย่าพยายามกาจัดทิ้งเป็นอันขาดจากนั้นให้ใช้ลมหายใจเป็นตัวนับว่าต้องหายใจกี่ครั้งปฏิกิริยาทางแจนั้นๆจึงสงบลง ตอนแรกๆคุณจะรู้สึกค้างคางุดหงิดเบื่อหน่ายเหมือนไม่ค่อยมีแก่ใจอยากจะมานั่งนับลมว่ากี่ลมผ่านไปอารมณ์ทางใจถึงสงบระงับใช้ได้แต่พอทำได้หนหนึ่งคุณจะเห็นว่าหนต่อๆมานั้นง่ายขึ้นเรื่อยๆพอมีปฏิกิริยาทางใจแรงๆจะเริ่มนับลมโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดนั้น คุณจะพบว่าตัวเองเริ่มฝักใฝ่สนใจลมเข้าออกมากขึ้นไปด้วยแม้ขณะกำลังว่างๆที่ยังไม่มีปฏิกิริยาทางใจใดๆปรากฏก็ตามสรุปอุบายอันเป็นเครื่องทุนแรงช่วยงัดเอาสติออกมาจากลมลึกในจิตใจเรานั้น มีได้มากมายสารพัดบทนี้แนะนำเพียงสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้จริงและจะเห็นผลรวดเร็วชนิดใช้เครื่องทุ่นแรงเพียงไม่กี่วันสติจะเกิดถีขึ้นจนคุณแปลกใจว่าของมันง่ายขนาดนี้ทีเดียวหรอคุณจะพบว่าเพียงมีสติระลึกรู้ลมหายใจได้บ่อย ไม่ว่าถูกลากพามาจากอุบายแบบใดชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงออกมาจากภายในมีผลกับความรู้สึกเนื้คิดทั้งหมดและเป็นฐานอันมั่นคงให้สามารถต่อยอดเป็นวิปัสสนาขั้นสูงสูงขึ้นได้โดยปราศจากความยากลำบากด้วย Thank you.